ไปยังประเทศพม่าเธอจะได้ไปนมัสการพระเจดีชเวดากองหรือครับดีใจหนอดีใจหนอผมอยากจะไปนมัสการพระเจดี อ, องนี้มานานแล้วแต่ยังหาโอกาสไม่ได้อีกประการหนึ่งความที่ผมเคยรบกับพม่าในชาติที่แล้วทำให้ผมไม่ชอบพม่า ไม่อยากไปเมืองที่เคยเป็นศัตรูกับคนไทยสมัยที่ผมเป็นแม่ทัพผมเคยถูกพมา่าจับไปเป็นตัวประกันอยู่พม่าตั้งหลายเดือนกระทั่งแม่ทัพ อ, อีกคนหนึ่งเขาไปรับตัวกลับมายัางกรุงศรีอยุธยาเรารู้แล้วและในชาตินี้แม่ทัพคนนั้นโกิดมาเป็นผู้หญิง เธอจะได้ตอบแทนบุญคุณเขาเพราะพ่อแม่เขาจะมาขอร้องให้เธอไปรับลูกกลับมาเช่นกันรับมาจากไหนครับคงไม่ใช่จากพม่านะครับผมไม่อยากไปเมืองพม่าอีกผมหมายถึงว่าไปโดยไม่มีหลวงพ่อไปด้วยนะครับไม่ต้องไปถึงพม่าหรอกแค่จังหวัดชายแดนตากหรือครับ หรือว่าเชียงรายไม่ใช่ตาแล้วก็ไม่ใช่เชียงรายถ้าเช่นนั้นก็กาญจะนะบุรีผมจะไปรับเขาที่กาญจะนะบุรีใช่ไหมครับเอาเถอะถึงเวลานั้นเธอก็จะรู้เองแต่เวลานี้เตรียมตัวเดินทางได้แล้วและขอย้ำอีกครั้งว่าศึกครั้งนี้ ยหญ่หลวงนักจะใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยอย่างไรผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมมีครูบาอาจารย์อยู่ชิดใกล้สมภารวัดป่ามะม่วงพูดอย่างไม่พรันพรึงเราบอกแล้วไงว่าให้พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถ จำประพุทธวจะนะบทนี้ไว้ให้ดีอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์จะช่วยเธอได้เสมอไปต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อตะกี้เธอพูดว่าใหญ่หลวงหรือใหญ่น้อยคำว่าใหญ่น้อยฟังทมแม่งหูยังไงชอบกลทําไมไม่ใช้คําว่าเล็กน้อยเพราะใหญ่หลวงก็น่าจะคู่กับเล็กน้อย หรือว่าเธอตกภาษาไทยหลวงพ่อดำรู้สึกกังขาหามิได้ครับผมเป็นคนที่เก่งภาษาไทยชนิดหาตัวจับยากคณาศาสตราจารย์ทางด้านภาษายังสู้ไม่ได้เรื่องจริงนะครับสิษย์คุยเคืองด้วยตั้งใจจะยั่วอาจารย์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 คำตอบของสิทธิ์ดูเหมือนจะยิ่งทําให้อาจารย์งงมากขึ้นเขาใช้คําว่าหลวงคู่กับคําว่าน้อยครับเช่นเขาเรียกเมียคนหัวปีว่าเมียหลวงเมียคนถัดมาเรียกว่าเมียน้อยไม่ว่าจะถัดมากี่คนก็จัดเป็นเมียน้อยหมดเอถ้าคนหัวปี ก็ต้องคู่กับคนสุดท้องสิถึงจะหูอาจารย์นึกสนุกบ้างแล้วแต่จะตีความครับสรุปว่าหลวงพ่อทราบเหตุผลแล้วนะครับว่าทำไมผมจึงใช้คำว่าใหญ่น้อยทำไมไม่ใช้เล็กน้อยก็พอทราบแต่เราอยากขอเตือนเธอว่า อย่าไปตมอย่างชาวบ้านมากนักเพราะเธอเป็นนักบวชเธอไม่ใช่ชาวบ้านเข้าใจไหมเข้าใจครับสิทตอบเสียงอ่อยเพราะเข้าใจแจมแจ้งว่าถูกอาจารย์ตาหนิเข้าแล้วเข้าใจก็ดีแล้วออกเดินทางได้พบกันบนยอดเขาตรงชายแดนนะ ชายแดนไหนครับกดชายแดนไทยพมา่านั้สิไม่น่าถามสิทธิ์ถูกอาจารย์ตำหนิเป็นคำรบสองแต่ชายแดนไทยพม่ามีตั้งหลายแห่งนะครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะให้ผมไปพบชายแดนแห่งไหนครับแห่งไหนที่มียอดเขาสูงก็พบกันแห่งนั้นไปคิดเอาเองก็แล้วกัน หลวงพ่ออย่าให้ผมคิดเองเลยครับผมเกรงว่าจะไปไม่ถึงเพราะคิดไม่เก่งเหมือนหลวงพ่อเอาละ่ะเธอจะไปถึงอย่างแน่นอนแต่กว่าจะถึงเธอจะต้องผจนกับอุปสรรคนานับประการหนักหนาสาหัสกว่าตอนไปป่าดงพญาเย็นมากนักทำไมหลวงพ่อชอบทรมานผมเราหรือทรมานเธอ เราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนแต่ก็ขอบอกเธอว่าเมื่อเธอฟันฝ่าอุปสรรคได้จะทำให้เธอแกร่งและกล้าขึ้นอย่าลืมว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเอาละออกเดินทางได้แล้วใช้คาถาย่นระยะทางได้หรือเปล่าครับตามใจ จะใช้คาถาอะไรก็ตามใจแต่กว่าจะพบเราเธอจะต้องปักกรดอยู่ที่เชิงเขาหนึ่งคืนก่อนตอนเดินขึ้นเขาห้ามใช้คาถาให้เดินอย่างมีสติเหมือนกับเวลาเดินจงกรมเข้าใจหรื อ, อยังเข้าใจแล้วครับถ้าเช่นนั้นผมก็ขอกราบลาผมจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ ท่านกราบเป็นจังค้ะประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงออกเดินทางคิดว่ารับตาอาจารย์ไปแล้วจึงจะใช้คาถาย่นระยะทางที่ได้ริ่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมขอให้โชคดีส่วนเราจะนั่งพักอยู่ที่นี่สักค่นราตรีแล้วจึงจะไปรอเธออยู่บนยอดเขาหลวงพ่อดำบอกลูกศิษย์ท่านพระครูหยุดเดิน หันมาถามว่าหลวงพ่อจะใช้คาถาย่นระยะทางไหมครับเราไม่จำเป็นต้องใช้คาถาย่นระยะทางถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อคงจะหายตัวไปหรือไม่ก็ดำดินไม่ใช่ทั้งสองอย่างผมรู้แล้วหลวงพ่อจะเหาะไปที่หลวงพ่อบอกว่าจะพักอยู่ตรงนี้สักค่อนราตรี แล้วจะไปก็แปลว่าหลวงพ่อจะรอให้คนเขาหลับกันก่อนจะได้ไม่มีใครเห็นตอนที่หลวงพ่อหอะสมภา์วัดป่ามะม่วงคาดคเนเมื่ออาจารย์ของท่านไม่พูดว่าไรท่านก็ยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกต้องทุกประการเดินไปได้สักพักภิกษุวัยสห้า จึงใช้คาถาย่นระยะทางและมาถึงเชิงเขาโดยที่ยังไม่รู้สึกเหนื่อยท่านจัดการหาที่ปักกลดเพราะอาจารย์สั่งให้พักอยู่ที่เชิงเขาคืนหนึ่งก่อนแล้วจึงเดินขึ้นไปพบท่านบนยอดเขายังมิทันจะมืดท่านก็ต้องผจญกับคนป่าซึ่งเป็นพวกเดียวกับผีตองเหลืองพวกนั้นกรูกันเข้ามาและใช้หน้าไม้ ยิงมายัางท่านด้วยประสงค์จะเอาเนื้อไปกินเป็นอาหารแต่เมื่อลูกดอกที่ยิงมาไม่อาจทำอันตรายท่านได้เลยพากันตื่นตกใจและวิ่งเข้ามาหมอบอยู่เบื้องหน้าคิดว่าท่านเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่สามารถดลบรนดาลเพศไัยให้เกิดแก่พวกเขาได้ตัวสันงันงกด้วยความกลัวว่าจะถูกลงโทษคนเป็นหัวหน้า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 คนเป็นหัวหน้าจึงพูดขึ้นว่าขอาต้องขออภัยที่ไม่รู้ว่าท่านคือเจ้าป่าผูด้ดูแลคุนเขาแห่งนี้คิดว่าท่านเป็นมนุษย์ที่พวกข้าจะนำไปเป็นอาหารได้ท่านพระครูเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะใช้วรปัญญาหากก็มีปัญหาว่าท่านพูดภาษาของเขาไม่ได้ครั้นจะพูดภาษาของท่านพวกเขา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 อยู่ในดงพงไพรมิได้พบกับความเจริญเชกเช่นมนุษย์ทั้งหลายก็นับว่าโชคร้ายพออยู่แล้วหากพวกเขากระทำบาปโดยการกินเนื้อมนุษย์ก็จะทำให้เกิดในที่ที่เลวยิ่งไปกว่าเช่นไปเกิดในนรกต้องถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสอันเป็นวิบากจากกรรมชั่วที่พวกเขากระทำ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 เนื้อราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโครง่งเนื้อเสือดาวและเนื้อเสือเหลืองนอกจากเนื้อสัตว์สิบอย่างที่กล่าวมาแล้วที่เหลือนอกนั้นท่านกินได้ใช่ไหมแล้วท่านล่าสัตว์เองหรือเปล่าสมภารวัดป่ามะม่วงอธิบายให้พวกเขารับรู้ด้วยภาษาที่ท่านคิดขึ้นเองคือภาษาจิตบวกภาษามือความว่าท่านเป็นพระภิกษุ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 ปลาแห่งนี้น่ากลัวมากกลางคืนเต็มไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายทั้งช้างปลาเสืองูและสรพิษมากมายท่านควรจะขึ้นไปนอนบนยอดเขาภิกษุวัยส5ห้าตอบว่าท่านมีวิชาที่จะป้องกันภัยจากสัตว์เหล่านั้นได้ขอพวกเขาอย่าได้เป็นห่วงท่านถัาจานั้นพรุ่งนี้เช้าพวกข้าจะนำอาหารมาให้ท่านกิน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 เพื่อไม่ให้ดูอุจจารในตาวันพรุ่งนี้เมื่อพวกเขามาหาท่านก็จะอนุเคราะห์โดยให้สมาทานศีลและรับไตรสรณะคมอย่างน้อยก็ช่วยพวกเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์สิบชนิดซึ่งรวมมนุษย์ด้วยก็จะไม่ถูกล่าไปเป็นอาหารและที่สำคัญคือชาติต่อๆไปพวกเขาจะไม่ต้องมาเกิดเป็นคนป่าอีก หากปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านสอนความมืดเริ่มโรยตัวเข้ามาปกคลุมอนาบริเวณอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นท่านจึงเข้าไปในกรดและนั่งบำเพ็ญภาวนาทัานใดนั้นก็มีเสียงดังสศบสาบอยู่ภายนอกกรดท่านดูด้วยตาปัญญาก็เห็น งูเหลือมตัวมะเหอมานอนรอจังหวะที่จะกลืนท่านเข้าท้องเป็นพักสาหารนึกถึงตอนเป็นเด็กที่ได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่างูเหลือมมันกลืนวัว ก, กลืนควายเป็นตัวตัวท่านก็เชื่อว่ามันสามารถจะกลืนพระผอมๆ อ, อย่างท่านได้โดยไม่ยากวิธีป้องกันคือต้องสวดขันธปริจจึงเริ่มด้วย บทขัดตำนานขันธปริริ์ดังนี้สภาศีวิสัชาตินังทิพภะมันตาคถทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัท ธ, ธ, ธาสัพพธา สภาปานินางสภโสปินิวารติปริตตันตำพนามะเหพระปริฏอันใดย่อมอย่างพิษอันร้ายแห่งงูร้ายทั้งหลายให้ฉิบหายไปดุดยาวิเศษอันประกอบด้วยมนทิพอันหนึ่งพระปริฏอันใดย่อมห้ามกันอันตรายอันวิเศษของสัตว์ทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวงในอนาเขตในที่ทั้งหมดในการทุกเมื่อเราทั้งหลายจงสวดปริตรอนนั้นเทินขึ้นบทขัดเสร็จแล้วภิกษุวัย45จึงสวดขันธปริตรซึ่งมีจำนวนคาถาทั้งสิ้นห้าคาถาสวดกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเจ้ามูเหลือมตัวมาเฮมา จึงค่อยๆเลื้อยออกไปอย่างเชื่องช้าครั้นเจ้างูเหลือมไปแล้วอสารพิษอื่นๆนับร้อยตัวก็เลื้อยผ่านกรดท่านไปโดยไม่ได้ทำอันตรายแต่ประการใดการเป็นไปดังนี้ก็ด้วยอนุภาพแห่งคันทปริตของพระพุทธองค์โดยแท้